ทำท่างกล่าวไว้ว่ากาะวิเวกกิตตวิเวศอุปัิวิเวศมีความสังัดสามเป็นสามชั้นการปฏิบัติเพื่อความสังัดทั้งสามประเภทนี้ก็มีการวิเวกถ้าเป็นนาบวด ท่านก็สอนดังที่ปรากฏในอนุสตร์ลูโมยเส้นงานสนัง่งนไ่นเพื่อกายวิวิไม่มีสิ่งที่มากวนประสาทโดยผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเข้าไปฟ้องใจใจนผู้รับเรื่องขอความวุ่นวายขึ้นมาใส่ตัวเอง กายวิเวกได้ดําเนินไปได้วยความสะดวกสบายในสถานที่เหมาะสมจิตมันก็เป็นบาดฐานของจิตวิเวกคือการเข้าไปหากายวิเวกก็เพื่อเพื่อจิตวิเวกและเพื่ออุปติวเวกในระยะเดียวกั น, นกายได้รับความสะดวกไม่มีอะไรรบกวนประสาท ทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้นทางกายใจก็ไม่ยุ่งทางหน้าต่างตามบำเพ็ญกิตตทรนาเพื่อความระงัดทางด้านจิตใจไม่คิดไม่ปรุงก่อความมุ่นวายใส่ตนโดยลําพังซึ่งมิตรต้องเกี่ยวข้องกับทางตาหูจมูกนิ้นกายเข้าไปเกี่ยวเข้าไปฟ้องเลยการบําเพ็ญดูอย่างนี้โดยสม่ำเสมอหสถานที่เหมาะสมอยู่โดยสม่ําเสมอสําหรับนักปฏิบัติ หรือนักบวชซึ่งมีหน้าที่อันเดียวย่อมเป็นเครื่องส่งเสริมงานของตนให้ก้าวหน้าตลอดถึงผลที่จะพึงได้รับก็ย่อมมีความก้าวหน้าขึ้นโดยลำหนักลำหนักกายวิเวกก็มีความเคยชินกับสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นจิตวิเวกคือความสงัดจิตด้วยอํานาจแห่งจิตตภาวนาเพราะได้สถานที่เหมาะสมเป็นที่บำเพ็ญก็ย่อมมีความสงัด ภายในจิตใจสังัดจากอารมณ์ก่อกวนตัวเองที่เรียกว่าสมาธิมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำหนักๆปกติของจิตสร้างความวุ่นวายให้ตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีอิริยาบทหรือไม่มีสิ่งใดมาเป็นเครื่องจีดขวางหรือห้ามปรามงานของจิต นอกจากจิตตภาวนา ท, ที่เป็นเครื่องห้ามปรามจิตงานของจิตที่สร้างเรื่องวุ่นวายหรือสร้างความอุ่นวายให้แก่ตนได้เพราะฉะนั้นจิตตวิเวกจึงมีความจำเป็นด้วยจิตตภาวนาในขั้นที่ควรบังคับก็เช่นเดียวกับเราจับจัดมาฝึกหัด ใส่คาบใส่ไถใส่ล้อใส่เพียนอะไรก็แล้วแต่เจ้าของจะต้องการขณะที่ฝึกหัดเบื้องตน้นสัตว์นั้นต้องผาดโผนโลดเต้นดีไม่ดีชนกระทั่งเจ้าของเพราะมันความเข้าใจมันคงคิดว่าเจ้าของจะทำลายมันอะไรทำอย่างนั้นแล้วเจ้าของต้องฝึกอย่างหนักมือประมาทมันได้นะขณะนั้น แม้จะเป็นสัตว์ของตัวเองมันก็เป็นฆ่าศึกต่อตัวเองเพราะเขาเข้าใจว่าเราเป็นฆ่าศึกต่อเขามันต้องมีความรุนแรงต่อกันไม่น้อยและสุดท้ายก็สู้คนไม่ได้เพราะคนมีความฉลาดเหนือสัตว์และสัตว์ก็ค่อยรู้เรื่องรู้ราวไปเองว่าคนไม่ได้ทําไม่เขาไม่ได้ทําอันตรายเขาแต่อย่างไดเป็นที่เพียงว่าฝึกหรือทํางานชนิดหนึ่งมอบงานชนิดหนึ่งหรือฝึกงานชนิดหนึ่งให้เขาตอนนั้นตอบแบบเขาก็ค่อยทําไปเรื่อยเป็น ใส่ร้อสสกเกียนก็ดันไปตามเรื่องพอทำนิดทำนานแล้วเจ้าของก็ไม่ทำใหม่ถึงเวลาเราก็จับมาใส่ล้อสสกเกียนแล้วไล่ไปเลยไปขนอะไรก็ได้ทั้งนั้นจิตใจในเบื้องต้นซึ่งไม่เคยได้รับการห้ามปรามด้วยวิธีใดๆทั้งหมดตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงขณะที่เราเริ่มฝึกหาธรรมน์นาจึงเป็นจิตที่ผ่านผล อยู่ไม่น้อยเพราะความเคยกินของอร่อยเราจะมาแยกมาแยกหรือบังคับบัญชาให้เขาคิดเข้าปรุงนั้นจึงเป็นการต่อสู้กันอย่างหนักระหว่างความคิดตุงกับระหว่างการระกับความระ ง, งับด้วยบทตรธรรมใดก็ตามหรือด้วยวิธีการใดก็ตามจึงเป็นความรุนแรงต่อกันไม่น้อยนี่แหละการภานาเกิดความทุกข์ก็เพราะอันนี้แต่จะทุกข์อย่างไรก็ตามพึงเทียบ ก, กันกับ ระหว่างจัตวาานะกับเจ้าของที่เขาฝึกเพื่องานของเขาสุดท้ายก็เป็นการเป็นงานขึ้นมาได้ <c oughs> มีจิตใจถึงจะลำบากลำบนแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็เป็นการเป็นงานขึ้นมาภายในจิตยินได้เห็นผลเห็นประโยชน์จากการฝึกทรมานตนเองคือมีความสงบตัวขึ้นมาเนีย่ยแบบจิตตวิเวทคือจิตมีความสงบสงบัด ไม่คิดพุ้งสา่นลำคาญไปตามเพลงของตนโดยถ่ายเดียวแม้จะคิดก็มีการดับยัง้งมีการใค้ยครวญว่าควรหรือไม่ควรการคิดนั้นคิดเรื่องใดประเภทใดบ้างที่จะก่อให้เกิดทิ่เลชอาสวะหรือจะให้เป็นศูลยเป็นธรรมเป็นเครื่องแก้ที่เดชขึ้นมาจิตก็เป็นผู้ค้่ครวญพินิพิจารณาคือสติปัญญาณนะค้ยครวญจิตเมื่อรับการอารักขาพยายาม ป้องกันสิ่งที่เป็นไทยไม่ให้เกิดขึ้นจากจิตและพยายามส่งเสริมสิ่งที่เป็นคุณจากจิตใจให้มีขึ้นเดื่อยๆจิตย่อมได้รับความสงอบเย็ยนใจขึ้นมาเป็นจิตตวิเวทนะ่ความที่ว่าจิตตวิเวทก็มีความละเอียดไปโดยลาดับเนื่องมาจากกายวิเวทนะพอควรแจกการแจกงาน แม้แต่ขั้นคิดตะวิเวกก็จำเป็นต้องใช้ปัญญาค้นคิดตามการตามเวลาที่เห็นว่าเหมาะสมหรือโอกาสอันควรเิ่นจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควรต่อหน้าที่จะทำหน้าที่การงานในทางปัญญาได้แล้วก็ต้องฝึกหัดคิดต่างๆด้วยปัญญาโดยถือทตาถือขันหรืออาชตนะ ภายนอกก็ตามภายในก็ตามถือรูปถือเสียงติงรทซึ่งเคยเป็นคาสิคนั้นกลับมาเป็นธรรมเป็นเครื่องแก้กันให้เข้าใจตามความจริงของเขานี่เรียกว่าปัญญาหุดคุยหาสิ่งที่มันจมอยู่ภายในจิตใจมีตั้งมากมายเต็มหัวใจพูดงา่ายีหใจมีความสงบก็เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสามารถที่จะ แสดงตัวอย่างผ่ า, ผ, า ผ, ลผลดังที่เคยเป็นมาเท่านั้นเนื่องจากอำนาจของตับประรรมเป็นเครื่องปวดขี่บังคับเอาไว้แล้วเราก็พอมีทางได้รับความสุขความสบายและมีโอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาต่อไปพอท้งจิตได้รับความวิเวสกสงัดจิตก็มี ชาติปัญญาด้วยการพึงหัดคิดค้นมีความแยกคายทราบความผิดถูกดีชั่วของตนและทราบความติดข้องภาระจิตใจของตนว่าติดข้องเพราะเหตุไรจะต้องพิจารณาอย่างไรจิตจึิงจบบ่านจะพ้นก็ะปล่อยวางสิ่งนั้นได้ก็นำปัญญาเข้ามาพิจรารณาเหมือนเขาคาดนาคาดกลับไปกลับมา จนกระทั่งมูลคราบมูลไถยแหลกละเอียดเป็น ท, ที่พอใจแล้วเขากประดิษฐ์ไอส่วนจัดวภาชนะที่รับภาระในการค่าการไถ่จะช้าหรือเร็วไม่สำคัญสําคัญที่มูลคราบมูลไถยแหลกละเอียดเป็นที่พอใจเหมาะแก่การพบปลูกแล้วนั่นแหละเขถึงจะหยุดเรื่องปัญญาของเราจะช้าหรือเร็วไม่สําคัญ จา ก, กีข้างกี่หนในการพิจารณาโดยถือธาตุขันของเราเป็นเหมือนกับพื้นที่สติปัญญาเป็นเหมือนกับเราคาดเราไถ่ค้นคว้าอยู่นั้นั้งแล้วข้างนอกจนเป็นที่เข้าใจอย่างแน่ชัด แล้วก็หยุดเองจะฝืนพิจารณาไปได้อย่างไรเมื่อทราบว่าพอแล้วเช่นเดียวกับเรารับทานหิวเราก็ทราบว่าหิวหิวมากหิวน้อยเราก็ทราบนี่เวาเวลารับทานจนพอกับความต้องการแล้วเราจะฝืนให้รับทานได้อีกอย่างไรคําว่าฝืนเจ้าของก็ทราบเพราะความว่าพอกับธาตุขันแล้วเจ้าของก็ทราบอยู่แล้วแล้วยังจะฝืนไปได้อย่างไรนี่นี่การพิจารณาเมื่อถึงขั้น ที่จะปล่อยวางหรือหยุดกันได้ในขันใดมีรูปประขันเป็นต้นมันก็หยุดอย่างนั้นเช่นเดียวกันเราไม่ได้คาดได้ฝันได้หมายไว้ก่อนก็าตามการพิจารณานี้เป็นปัจจตังการเข้าใจเรื่องตัวเองเรื่องธาตุ่งขันเป็นสำคัญเข้าใจด้วยปัจจตังเมื่อถึงขั้นพอตัวในทำขันใด ในขันใดหยุดย่องปล่อยวางตัวได้ปล่อยวางกับการพิจารณานั้นได้เช่นเดียวกับเขาหยุดคลาดนาแล้วการช้าการเร็วของสติปัญญาเราอย่าไปตำหนิติเตียน <c oughs> หน้าที่ของสติปัญญาจะเป็นผู้ทาเองหน้าที่ใดพิจาการแก้พิเดตอาสวะการเข้าใจในเรื่องต่างๆเป็นหน้าที่ของสติปัญญา จะกันกรองลงไปตามกำลังความสามารถเราเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นนายงานหัวหน้างานคอยสอดส่องดูแลสติเป็นสําคัญให้ความรู้นั้นจดจ่อกับงานแล้วปัญญาเป็นผู้คลี่รายดูสิ่งนั้นๆที่ความรู้กำลังจับหรือกำลังจดจ้องหรือสัมผัสสัมพันธ์อยู่นั้นนะจนเป็นที่เข้าใจแล้วไม่ต้องบอกปล่อยเองไม่มีใครจะ ผู้บําเพ็ญธรรมจะกลายเป็นบ้าเป็นบอไปถึงกับกอดธรรมนั้นอยู่ทั้งๆังที่พินารอบแล้วที่ดูจะโลกเขาขึ้นบันไดพอถึงที่แล้วเขายัางปล่อยวางองีกโดยไม่ต้องมีเจตนาอะไรจะปล่อยวางมาถึงที่แล้วสายทางที่เราเดินมามันก็ปล่อยวางหมดปัญหากันไปเอ ง, งการพิจารณาเนี่ยก็เช่นเดียวกันเมื่อพอกับความต้องการแล้วมันก็หมดปัญหากันไปเองโดยไม่ต้องมีเจตนาอะไรจะให้หมดปัญหา นี่เรียวจิตที่เป็นจิตตาวิเวกแล้วกำลังก้าวเดินเพื่อเป็นอุปทิเวกค่อยสังัดจากพิเลศไปโดยลำดับพิเรศประเภทใดก็ตามต้องเป็นค่าสึกต่อใจอยู่โดยดีไม่ว่าจะเป็นส่วนจากส่วนละเอียดเป็นค่าศึกทั้งนั้นพระพุทธเจา้าจึงไม่ทรงชมเชยว่ากิเรศอันใดเป็นของดีประเภทใดเป็นของดีท่านสอนให้ละโดยสิ้นเชิง ไม่ให้เหลือเลยสมกับว่าสิ่งนี้เป็นค่าเกิดก็เหมือนกับเสือพ่อมันก็เป็นเสือแม่เป็นเสือลูกเกิดมามันก็ต้องเป็นเสือเสือมันกินอะไรมันกัดอะไรมันเป็นอันตรายต่อสิ่งใดบ้างทราบกันเรื่องของกิเลสก็เป็นทํานองเดียวกันนั้นมันเป็นอันตรายต่อจิตใจแล้วก็ย้ายไปก็ต่อผู้เกี่ยวข้องต่อหน้าที่การงานเลยเป็นพิษเป็นภัยเป็นหมดเรื่องของกิเลสไม่ใช่เป็นของอื จึงต้องชำลนะจึงต้องกําจัดโดยลนะํหนักด้วยปัญญานี่เราหมายถึงการพิจารณาโดยธรรมดาของการภาวนาเพื่ออุปทิเวหากถึงคราวจําเป็นขึ้นมาที่จะต้องนํามาใช้แบบผาดผลแบบเข้มข้นแบบเอาเป็นเอาตายก็มีเช่นระยะจนกรอบจนมุม ในเวลาที่เจ็บไขยได้ป่วยขึ้นมาอย่างเต็มที่อย่างนี้หรือทุกขเวทนาเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นด้วยอาการด้วยสาเหตุใดก็ตามมันเป็นสัจธรรมด้วยกันถ้าเราไม่แก้ถ้าเราไม่พิจารณาในตอนนี้ให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วจะไม่มีทางได้ผลแล้วจะเป็นความเสียหายแก่เราไม่น้อยนี่เหตุผลมันบอกขึ้นมาภายในตัวเองเพราะฉะนั้นมีอะไรเราต้องทุ่มลงให้หมด เมื่อกิตได้โปร่งใจลงอย่างนั้นแล้วอะไรก็เถอะจะไม่มีถอยเลยทุกขเวทนาจะยกเมฆ ก, กันมาก็ตามเมฆ ก, ก็เท่ากับส่วนร่างกายในขันท่าฉนั้นไม่ได้เมฆหนากว่านี้ใหญ่กว่านี้ถ้ายกเมฆมาพอดีก็เมฆขันเมฆธาตุนี่เองปัญญาเท่านั้นเป็นจะเป็นทำนกปิดกั้นได้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของทุกขเวทน า, ท, ท, นาทุกประเภททุกแงท่ทุกมุมที่ ทุกเวทนาปรากฏขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> เราถือเอาตรงความจริงนี่เลยคือกองาธาตุนี่แหละคือกองทุกข์นักเอากตรงนี้ความหลงนี่แหละผู้ที่พาให้เราจมในทุกข์ความหลงนี่เท่านั้นเป็นผู้สั่งสมทุกข์ส่งเสริมทุกข์ด้วยสั่งสมทุกข์ด้วยส่งเสริมทุกข์ให้มากขึ้นด้วยนี่เท่านั้น และมีสติปัญญานี่เท่านั้นที่จะแก้ความหลงทั้งหลายเกี่ยวกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในธาตุในขันธ์ในร่างกายของเรานี้ส่วนใดเราต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนดังที่เกิดอธิบายให้ฟังแล้วในขณะที่ทุกเกิดขึ้นมากน้อยเราถือเอาจุดสําคัญของทุกข์ที่มีมากกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นจุดพิจารณาเป็นสนามรบ จดจ่อสติหรือตั้งสติปัญญาลงที่จุดนั้นเราไม่ต้องมุ่งหมายว่าให้ทุกขเวทนานี้ดับไปเราไม่ได้พิจารณาเพื่อให้ทุกขเวทนานี้ดับเราพริจารณาเพื่อจะเห็นจริงตามสัจธรรมที่เป็นของจริงนี้เท่านั้นนี่เราจะสะดวกมากในการพริจารณาเป็นก็เป็นตายก็ตายอันนี้มันอยู่ในกรอบแห่งอนิจจังทุกขังาตาแล้วเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งให้มันเป็นอะไรอีกนอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังาตาซึ่งมีอยู่แล้ว ประจำท่าประจําขันเราต้องการแต่เราจะขอทราบเรื่องความจริงในขันอันนี้ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นโดยอาศัยรูปประขันเป็นสถานที่ที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เกิดขึ้นแล้วรูปประขัน <c oughs> คือร่างกายของเรานี้ส่วนใดเป็นภาชนะในเวลานั้นที่เด่นมากที่สุดคือ เป็นทุกข์อยู่ในอริยวะส่วนใดที่มากที่สุดเรากําหนดแยกแยะดูให้ดีอา้าวสมมุติว่าเจ็บอยู่ในกระดูกคน้นลงไปในกระดูกให้มันเห็นชัดเจนกระดูกท่อนอื่นๆทําไมไม่เป็นทําไมจึงมาเป็นเฉพาะท่อนนี้ถ้าว่ากระดูกเป็นทุกข์จริงๆทุกท่อนก็ทุกชิ้นของกระดูกที่มีอยู่ภายในร่างกายเรานี้ต้องเป็นตัวทุกข์ทั้งหมดแต่แล้วทําไมจึงมาเป็นเฉพาะจุดซึ่งไม่ใช่เป็นความสมุปภาคเลย นี่แสดงว่าความสําคัญความเข้าใจของเรานี้ตรองว่ากระดูกท่อนนี้ขึ้นนี้เป็นทุกไม่ได้เป็นทุกกระดูกต้องเป็นกระดูกอยู่ร้อยเปอร์เซนต์ตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันสลายไปแห่งกระดูกกลายเป็นดินลงไปเป็นอย่างนี้ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในจุดใดก็ตามก็คือทุกขเวทนาเรียกว่าเวทนาขันกองทัพแห่งความวกกทุกข์กระถูกอ่ะ อาพูดอย่างนี้หมวดเนี่ยขันทก็แปลว่าหมวดแปลว่ากองแปลว่ากลุ่มว่าก้อนอะไรก็แล้วแต่อนี่ก็ ก, กองทุกมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นเรื่องความทุกข์อันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาในจุดนั้นแต่มันไม่ใช่จุดนั้นเป็นตัวทุกเวทนาคือทุกเวทนาต่างหาเป็นเรื่องทุกก็เป็นตามหลักธรรมชาติของมันมันไม่ได้มีความมุ่งหมาย ไม่ไม่มีเจตนาะไม่มีความสำคัญอันใดที่จะให้ผูห้หนึดด่งผู้ใดได้รับความทุกข์ความลาบากเพราะมันเกิดขึ้นมามากน้อยจิตถ้าไม่มีเจ้าของไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีผู้รักษาคือสติกับปัญญาก็หล้วมตัวเข้าไปสู่จุดนั้นว่าทุกนี้เป็นตนว่าตนเป็นทุกว่ากายของตนเป็นทุก เพราะตนถือว่ากายนี้เป็นตนเป็นของตนนี่มันก็คร่าคราว้าไปแบบนี้เองเพียงความรู้เท่านั้นไม่สามารถรักษาตัวได้ดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วเช่นคนเป็นบ้ามันมีความรู้อยู่เหมือนกันกับมนุษย์ทั่วๆไปเป็นแต่สติปัญญาความรับผิดชอบผิดถูกดีชั่วอะไรดายมันไม่มีเท่านั้นส่วนความรู้นั้นมันมีเดินไปตามภาษีภาษาคือมีแต่ความรู้ไม่มีความระลึกได้ว่าผิดถูกดีชั่ว ไม่มีสติปัญญาไก่กลองว่าลึกตื้นหยาบละเอียดหรือผิดถูกดีชั่วประการใดนี่มีแต่ความรู้จึงไม่ไม่ไมทราบว่ามันจะกลัวอะไรจะไปกล้าต่ออะไรไปตามภาษีภาษาแม้ที่สุดกลางถานนมันก็นั่งมันก็นอนอยู่ได้อย่างสบายมันไม่ได้คำหนึ่งบ้านใครเรือนใครเรือนใครประตามหน้าบ้านหน้าเรือนใครประตามมันไม่ได้สําคัญว่าเป็นของข่ามันมีแต่รูๆ้ๆไปธรรมดา นี่แหละจิตที่มีเพียงรู้เนี่ยเราดูคนที่เป็นบ้ามีแต่เพียงความรู้ที่นจิตของเราในขณะที่เจอกับทุกเวทนาเจอกับสภาพเช่นนั้นถ้ามีแต่ความรู้ล้วนๆธรรมดาไม่มีสติปัญญาเข้าเป็นเจ้าของคอยป้องกันคอยรักษาแล้วมันจะต้องยึดตรงนั้นหรือสิ่งนั้นจะต้องทับมันจนได้นี่แล้วก็การเป็นความทุกขึ้นมาที่สติปัญญา เราพอทราบเฉยว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนั้นเป็นทุกข์เวลานี้เราทุกข์มากทุกข์น้อยแต่เราไม่มีความสามารถที่จะทราบด้วยอุบายต่างๆในการพิจารณาเรื่องของทุกข์ให้เห็นตามความจริงของทุกข์เห็นตามความจริงของกายเห็นตามความจริงของจิตปัญญาขั้นนี้ไม่มีจิตจึงต้องได้รับทุกข์ทอดทุกขเวทนาทั้งหลายดังนั้นครอบจิตนี่เพื่อการปลดเรื่องทุกข์ ให้เป็นความทุกข์อยู่ตามความจริงของตนอวัยวะส่วนต่างๆจะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกก็ตามให้เป็นความจริงอยู่ตามสรรมชาติของตนต้องอาศัยปัญญาซึ่งเป็นความแหลมคมเข้าแยกแยกออกสู่ความจริงของแต่ละชิ้นละอันอย่าให้คเคล่ากันจนกระทั่งถึงจิตให้เป็นผู้ทราบความจริงตามส่วนความจริงทั้งหลายทั้งเวทนาทั้งกายทั้งจิตตัวเองด้วยปัญญา อันเห็นแจ้งชัดเจนไม่สักแต่ว่าเดาเอาความเห็นแจ้งชัดนี้ไม่ต้องบอกแยกเองทีเดียวขอให้เห็นแจ้งชัดเถิดถ้าชัดด้วยปัญญาไม่มีอะไรติดข้างปัญญาสามารถแทงทะลุลึกฟันขาดกระจายไปได้ตามกำลังของสติปัญญาที่เราฝึกขึ้นมาให้มีกำลังมากน้อยนี่เป็นวาระสำคัญเช่นนี้ เราจะต้องได้ทุ่มลงให้ถึงเหตุถึงผลถึงอัดถึงทำถึงความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่คํานึงถึงเรื่องปานเป็นการตายเพราะนั้นเป็นเรื่องสมมุติอันหนึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเป็นนุนตายนี้รอกันอยู่ภายนอกนั่นส่วนความจริงจริงไม่มองดูกันนั้นที่โลกเรามันถึงทุกข์ถึงมีความลําบากมากมายถ้าเราพิจารณาตามความจริงดังพระพุทธเจ้าสอนแล้วใครจะไปกลัวตายใครจะไปกลัวทุกข์ทำไมือมันเป็นของจริงด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครกลัว ถ้าตามหลักธรรมแล้วพระพุทธเจ้าเมื่อทรงทราบความจริงนี้แล้วไม่ทรงกลัวเรื่องความตายเลยสาวกอราหาน์ทั้งหลายซึ่งเคยกลัวมาด้วยกันทั้งนั้นในเรื่องความตา ย, ายแม้แต่ศาสตร์เขาก็กลัวพอเรียนเข้าถึงความจริงเต็มส่วนแล้วไม่ได้กลัวกันทั้งนั้นน่ะท่านถือเป็นธรรมดาไปหมดเพราะเป็นเป็นเรื่องธรรมดาแท้ๆโดยหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นการพิจารณาให้ถึงความจริงแค่ น, นี้จึงพิจารณาได้อย่างอดหารเมื่อไม่นําความตายซึ่งเป็นสมมุติหลอกนั้นเข้ามา ปิดกั้นตัวเองแล้วให้เกิดความขยะขยงให้เกิดความท้อถอยแล้วความกลัวนั้นก็ส่งเสริมกิเลสคือความทุกข์ความลาบากขึ้นอีกมากมากกวา่าเรายังไม่เห็นโทษแห่งความกลัวนั้นว่าเป็นตัวสั่งสมกิเลสขึ้นมาให้เกิดความทุกข์นี่เราจึงได้ทุกข์เรื่อยไปแล้วกลัวเรื่อยไปไม่เห็นใครไปพ้นได้สักคนเดียวเรื่องความตายกลัวก็ตามไม่กลัวก็ตามมันไปไม่พ้นแต่ถ้ามีปัญญาที่นิพพาณาดังที่ว่า น, นี้แล้วถึงจะไม่พ้นในชาตินี้ก็ตามก็พ้นอยู่ภายในจิตให้เห็นอย่างชัดเจน ไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันภารกิจให้นักความทุกข์ความลำบากเลยเพราะปัญญาเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดเน ช, นะชียบขาดแหลมคมฟาดปันสิ่งนั้นให้แตกกระจายไปหมดคือเฉพาความจอมปลองความคิดความถือด้วยความเข้ารู้เท่าไม่ถึงกาลให้ขาดสะบั้นออกจากกันเหลือแต่ความจริงล้วนกลัวตายไปหาอะไรนะคาว่าตายมันก็โกหกกันเราจะพูดอย่างนี้ก็ได้ แต่เราไม่ได้พูดใส่สร้ายป้ายสีผู้หนึ่งผู้ใดเพราะต่างคนมันพูดกันอย่างนั้นชําคันกันอย่างนั้นก็เหมือนกับว่าโกูหกกันโดยไม่มีเกตนาที่เราให้เรียนความจริงให้มันถึงเหตถึงผลด้วยการทุม่มสติปัญญาลงไปโดยไม่ต้องกลัวตายเลยกลัวหาลายกลัวเหตุกลัวลมกลัวแรงประทมัยดูความจริงให้มันเห็นให้ถึงที่สุดของความจริงเอาอะไรจะตายก่อนแต่หลังถ้าตายจริงให้รู้พิจารณาอย่างนี้ขันคือธาตุรูปประธาต์ของเรารูปประขันขอเรา มันก็เป็นรูปอยู่อย่างนี้ไมว่างตั้งแต่วันเกิดมามันไม่ได้แปลสภาพจากนี้ไปเป็นอื่นเป็นไหนเลยก็เป็นสภาพอย่างนี้จนกว่าถึงวันอวสานแห่งจุดของมันหรือแห่งขืออายุ ข, ของมันมันก็จะลายลงไปเป็นดินธรรมดาส่วนน้ําก็เป็นน้ําธรรมดาลมก็ออกเป็นลมเป็นไฟธรรมดาเนี่ยเวทนาก็ดับไปเป็นธรรมดาของเขาเท่านั้นอะไรอะไรก็ดับไปตามธรรมชาติของมันที่เกิดขึ้น และดับไปซึ่งเป็นของคู่กันมานั่งเดิมเราจะไปยึดเอาเงาเงามันมาเป็นตัวเป็นตนไปกลัวเงามันทําไมมีแต่เรื่องเงาเงาทางนั้นแล้วกลัวเงาตัวมันจริงๆทาไมไม่กลัวตัวจริงๆก็คือตัวความหลงนั่นแหละเราไม่กลัวตัวนี้เราก็ต้องได้แบกหามทุกข์อยู่เรื่อยๆไปหลงธาตุหลงขันอยเรื่อยๆไปเวลาจะเป็นจะตายก็จะไม่ได้อะไรจะได้แต่ความทุกข์ความร้อนความลําบากลําบนความกลัวเป็นกลัวตายสุดท้ายก็ตายไปทั้งทั้งติดกลัวและหอบทุกไปด้วย มีอย่างหนหรือนั่นเพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้อย่างชัดเจนจึงต้องตั้งหลักสนามลบลงในระหว่างขันกับจิตขันเป็นขันจิตเป็นจิตเอาตั้งกันลงที่ตรงนี้ปาช้าไม่มีเอาเอาถึงขีดจุดกันแล้วป่าช้าของขันก็ไม่มีปาช้าของจิตก็ไม่มีขันสลายตัวลงไปตามธรรมชาติของมัน มีป่าช้าที่ตรงไหนแน่ดินเป็นดินน้ําเป็นน้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟนี่ป่าชาที่ตรงไหนถ้าว่าปัาชาก็เต็มไปทั่วทั้งแผ่นดินที่เรานั่งอยู่นี่ก็เป็นปัาชาเพราะมันเป็นธาตุดินด้วยกันนี่เ <o itive> วทน <o itive> าเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นเวทนาเป็นเป็นป่าช้าที่ไหนมันเกิดขึ้นจากจิตดับไปที่จิตแน่อาการของจิตเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวจริงของจิตเป็นอาการของจิตเพราะนั้นจิตจริงเรารู้เท่าได้ ถ้ า, าเป็นตัวจิตจริงๆแล้วมันแก้กันไม่ออกแยกกันไม่ออกระหว่างเวทนากับจิตแต่นี้เป็นของที่แยกกันได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นอาการอันหนึง่งแสดงขึ้นทางกายทุกเวทนาแสดงขึ้นทางกายก็รู้แสดงขึ้นทางใจก็รูุขรูที่เวลาแยกกันได้ด่งเย ด, ดขาดแล้วแสดงขึ้นทางกายนั้นมีและรู้เท่าด้วยแสดงขึ้นทางใจไม่มีเพราะหมดเชื้อที่ใช้สมมุติคือ ทุกเวทนาหรือสุขเวทนาเป็นสมมุตินี้แสดงขึ้นที่นั่นเพราะไม่มีเชื้อให้ให้สมมุติอันนี้เกิดขึ้นมาได้ทันยาตั้งขานวิญญาณเนี่ยอันนี้มีป่าชาติที่ไหนมันมีความเกิดค้ามดับธรรมธรรมดางมันโดยอาศัยจิตเป็นต้นเหตุที่เป็นรากฐานแล้วแสดงอาการขึ้นมามาทางตา ก, ก็ตาเป็นเครื่องมือด้วยเป็นทางเป็นสื่อเข้ามาหาใจทั้งหูก็เป็นสื่อเข้ามาหาใจ จมูกเรียงกายเป็นสื่อข้ามหาใจใจถ้าเป็นผู้ฉลาดแล้วเพียงรับทราบรับทราบวินิจฉัยตามหลักธรรมชาติของตนรู้เรื่องตามความจริงแล้วปล่อยวางไปโดยไม่ต้องไปบังคับให้ปล่อยวางรู้เท่ารู้เท่ารู้เท่าทันรู้ตามเป็นจริงตามเปจริงอันนั้นก็เป็นสัพท์ว่าผ่านผ่านไปผ่านมาธรรมดาเท่านั้นเราไม่มีอะไรแล้วคนหนาคำตายจริงอยู่ที่ไหนมันไม่มีเนี่ยเราเหลือแต่ความรู้ล้วน แล้วกลัวที่ไหนกลัวตายกลัวอะไรแล้วกลัวลมกลัวแรงแต่เราลืมกลัวเพราะตัวกินของมันจึงต้องพิจารณาความหลงเป็นตัวสำคัดความสงฆ์ก็ทาให้สําคัญสําคัญมันนั่นเป็นเรานี้เป็นเราอะไรปรากฏขึ้นมาอะไรผิดปกตินิดหนึ่งก็เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเพราะความสําคัญนั่นแหละเป็นสื่อเป็นสําคัญอันหนึ่งแล้วก็ออกมาจาก โมหาวิชาซึ่งอยู่ภายในกิจใจมีอันอันต้นเ้าหรือเป็นรากเง้าสําคัญแล้วแสดงมาอาการที่สองคือความซ้ําขัดมั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นเรานี่เป็นของเรานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องจอมจอมปลอมทั้งนั้นถ้าเราหาความจริงแล้วเราจะไปหลงความจอมปลอมอย่างไงต้องรู้ความจอมปลอมนี้ด้วยปัญญาปัญญามีไว้เพื่ออะไรถ้าไม่มีไว้เพื่อแก้ของปลอ ม, อมแก้เห็นชัดเจนมีเวลาจําเป็น วัที่จะได้ทุ่มตรงนี้ต้องเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาให้เต็มเหตุเต็มผลถึงขั้นไหนก็ให้มันทราบกันกับจิตของเรานี่ตายจริงก็ให้ทราบกันไม่ตายก็ให้ทราบกันจึงเรีจึ ง, จงสมนามก็ว่าเราหาของจริงต้องให้รู้ความความจริงด้วยในตัวของเราเองเราอย่าไปเชื่อคนอื่นพระพุทธเจ้าท่านนจะเชื่อตามตามตำหลับตำลาอะไรเรื่อยในกาลมาสูตรท่านแสดงไว้เชื่อตามบุมคคลที่คนเชื่อได้นั่นท่านหมายถึงว่า ถึงขั้นที่ควรจะเชื่อตัวเองแล้วไม่ควรจะไปเชื่อแบบนั้นทันว่าอย่างนั้นถ้ามาดปฏิเส ธ, ธโดยประการทั้งปวงว่าไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อตำนหนตำล่ามันตามเป็นขั้นๆมาการเชื่อแต่เมื่อถึงขั้นเช่นนี้แล้วซึ่งควรจะเชื่อตัวเองได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิของใจแล้วเรายังจะไปหารูปคำควา ม, มเชื่อเหล่านั้นมายึดมาถือแสดงว่าเรายังบกพร่องอยู่มากเราช่วยตัวเองไม่ได้งั้น เชื่อตัวเองได้เราช่วยตัวเองได้เท่านั้นนี่ธรรมะข้อนั้นจึงสรุปลงมาในจุดนี้เหมาะสมอย่างยิ่งว่าไม่เชื่อใครเชื่อปัญญาที่พิจารณาตามความจริงที่มีอยู่ภายในธาตุในขันธ์เหล่านี้เท่านั้นเมื่อรู้นี้ชัดเจนแล้วก็ประจักษ์หายสงสัยไปหมดอะไรจริงอะไรปลอมรู้หมดน่ะผลสุดท้าย สิ่งที่เรากลัวเรื่องความเป็นความตายมันก็หมดปัญหาไปาตามๆกันเพราะความกลัวนี่มันเป็นกิเลสนี่เมือ่อกิเลสประเภทนี้หมดไปแล้วมันจะเอาอะไรมากลัวเนี่มันก็หมดปัญหานี่ถึงคราวที่จะพิจารณาเอาให้เต็มที่เต็มฐานต้องพิจารณาอย่างนั้นเราไม่เสียดายอะไรทั้งหมดเราไม่ต้องกลัวเรื่องเป็นเรื่องตายเป็นคติธรรมดาของโลกที่สมมุติกันมาเราพิจารณาให้มันเห็นความจริงตามสมมุติซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราด้วย อย่างประจักษ์แล้วก็หายสงสัยนี่แะระหว่างส ง, สงครามกับเราระหว่างขันกับจิตเป็นทั้งันระหว่างจิตกับกิเลสที่มีอยู่ในจิตอีกซึ่งเคย อ, อธิบายแล้วนี่เป็นขั้นละเอียดเป็นขั้นสุดยอดของกิเลส ย, ยอดของกิเลสก็ก็ดังที่อธิบายแล้ว ยอดของปัญญาก็เน้นกันลงที่ตรงนั้นฟาดฟันกันลงที่ตรงนั้นจนกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือคําที่ว่าสมมุติหรือขึ้นที่ว่าสมมติไม่มีเหลือคําว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตก็ดีจะมีอยู่ในสภาพใดข้างนอกก็ดีข้างในคือรูปเบญนาสัญญาสังขารมีอย่างเราก็ดีจะมีอยู่ภายในใจก็ดีหมดตัญหาไปโดยประการทั้งปวง ไม่ได้ไปตำหนิอันใดไม่ได้ไปชมอันไหนว่าเป็นอ น, นิีจังทุกขังนตาดีเป็นอะไรก็ดีหมดการตำหนิคิดชมเพราะเชื่อแห่งการความตำหนิคิชมมันหมดไปแล้วหาความมีดิดชมมาจากที่ไหนนอกจากมีแต่ความจริงล้วนๆโดยหลักธรรมชาติเท่านั้น น, นี่การเอา ช, ชนะเอากันที่ตรงนี้ชนะตัวเองชนะอย่างนี้แหละ แสนสุขพระเสริสุดเอาชนะตนเองเอาที่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวตัวเองให้พิจารณาอย่างนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดรวมลงถึงขั้นยอดของกิเลสตัณหาอสวะซึ่งมีภานณาใจและได้พิจารณากันด้วยยอดแห่งปัญญาจนสิ้นสุดลงไป นั่นแหละที่ว่าลบล้างสมมติลบล้างหรือล้างป่าช้าล้างที่ตรงนั้นความเกิดจะเกิดขึ้นที่จุดนั้นเกิดเป็นอะไรก็ต่างจะเกิดขึ้นที่จุดนั้นความดับแห่งความเกิดทั้งหลายไม่มีเลยที่ตามที่ท่านว่าลูกข้างนาทีอาาาัจฉริยะทุกย่อมรมีแจ่ผู้มาเกิดก็คืออยู่ที่จุดนั่นแหละเมื่อลบล้างป่าช้าได้หมดด้วยปัญญาอันแหลมคมแล้ว ทุกย่อมมามีแก่ผู้ไม่เกิดก็อยู่ตรงนั้นจิตจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นมามันก็ไม่มไม่ใช่เรื่องกิเลส เ, เราเอาพูดทั้งเรื่องจิตจะเกิดความคิดความปรุงแต่งต่างๆขึ้นมาก็เป็นขันล้วนๆไม่มีกิเลสเป็นผู้ผลักดันให้คิดให้ปรุงอะไรทั้งหมดท่านจึงไม่เรียกว่าเกิดที่นี่ออกจากนี้เมื่อธาตุขันสลายไปหมดเรียกว่าล้างธาตุล้างขันไปโดยการตายตามธมรมบุญยม แล้วก็เป็นอันว่าล้างป่าชาไปในตัวเสร็จเลยปัจชาที่จะเอาธาตุอขันมาตั้งเป็นปัจชาภายในตัวเองอย่างที่เคยเป็นมาเป็นอันว่าหมดปัญหากันไปปัาชาท้องจิตที่บริสุทธิ์มีที่ไหนทีนนอกจากนิพพานนางประมังสุขขังธ์นั้นไม่มีความเป็นอื่นมีเท่า น, นั้นขออนาําไปพินิตรเจนาคนคว้าลงมาไาที่จุดนี้เรื่องชัยชนะ เรื่องความจริงจะเห็นอยู่ที่จุดนี้เองไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่รับรองความจริงและความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีนี้เท่านั้นยึงขอยุติดเพียงเท่านี้น